วันนี้เป็นวันเข้าพรรษามันจบครบรอบมาอีกวาระหนึ่งซึ่งพิสูธาเมเดนที่อยู่จกพรรษานี่ับพรุ่งนี้จะได้อธิษฐานเข้าพรรษาพรุ่งนี้ลแล้วพร้อมกันนั่นก็เป็นวันอาสารหะคือวันพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมจักกัะวัตนสูตร ให้ภิกษุทั้งห้าองค์คือปัญจวคีทั้งห้าองค์ฟังเป็นธรรมเทศนากันแรกเห็นนั้นพวกเราจึงพากัรทำสารหาบูชาแล้วลึกถึงวันนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านตัดสรุปเดือนหกเพนคือเดือนหกเพน้ะท่านตัดสรุป พอมาเข้าวันษานี้เดือนแปดเพ็นก็พอดีแล้วสอง 2, เองดือนพอดีมาถึงวันนั้นพระองค์จึงเทศนาปัญจวัคีฟังแท้ที่จริงปัญวัคีนั่นก็เคยเป็นลูกจิตของพระองค์แต่ก่อนเมื่อพระองค์ทำทุกก์กิริยาอยู่ปฏิบัติรัฏฐาของพุต้ะของไปพระสิทธารธาชกุมารเมื่ออย่างเป็นพลีพยนธุต้า เมื่อพระ อ, องค์ทําทุกการคยาไม่ใช่คุนทางเสรจแล้วยังได้ตีตัวออกไปทำของเพียนผู้เดียวพวกปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเห็นพระ อ, องค์ลดละความเพียนคือทําไม่ถูกคุนทางเช่นพระ อ, องค์อดเข่าไม่ทานไอ้ไม่อดข่าจนกระทั่งสู้หอมพระองค์เห็นว่า ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นวันทางกับสรุปองกลับคืนมาฉันพวกคนจะวิในเห็ น, นพระอกค์มากๆจึงหลบลหลีกหนีไปพระองค์จะได้ประกอบความเพียรเดียวได้สำเร็จมาผลนิพพานแล้วจึงมาคิดถึงเรื่องผู้จะได้สำเร็จผู้จะฟังธรรมเทศนานีนใครน้อจะได้รู้มาผลนิพพานกับเรานา ใครน้อยใจเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างเรานี่ได้เนอะทรรนะาทำมานี้เป็นของลึกละเอียดเลอกเอกินพิจารณาไปพิจารณาไปถึงอาราธดาบุรุธการาบุตก็ตายเสียแล้วยังเหลือแต่ปัญจวัคคีเนี่แหละพอจะมีหูตาสวา่างกอสมควรพระองค์งจึงได้เสด็จ ในป่าอิจิตชนะไม่ได้กระถายวันเพราะเห็นพระองค์กลับคืนมาอีกมันจะว่าขี่รือสีต่างหากโน่นมาแล้วนะคนมักโกรธบากๆมาแล้วนะมาขยาถืพวกเราอย่าไปรับตอนเลยเพียงเด่ปูอ่านณะแยวๆก็แ ล, แล้วกันพอพระองค์ไปถึงที่ไหนใดอาการคุยคจอรับต้อนรับรองมดทุกคน เมื่อพระองค์ขาไปถึงที่พระทับแล้วจิงเทศนาให้ฟังที่แรกกระดือด้านไม่ยอมฟังในผลที่สุดพระองค์ก็บอกเราตัดสลู้แล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันคำนี้เธอเคยได้ยินไหมเธอทั้งสามทั้งห้าเคยได้ยินไหมเราเคยพูดไหมแต่ก่อนกังค่อยสะดุดใจ ยังเคยน้อมใจฟังพระองค์เจ้ายัางเทศนาถึงเรื่องธรรมจักรกับประวัติศาสตรนี่เรื่องเป็นหมายอย่างนี้วั น, นวันนี้แหละค่ายกับวันนี้แหละที่วันพระองค์จะเทศนาเห็นนั่นเราจึงระลึกถึงพระธรรมเทศนาการแรกที่พระองค์เจ้าตรัสรู้การระลึกถึงนี้ ถึงหากเราไม่ได้เห็นอย่ากเข้าไปอินเดียเขาไปเห็นที่พระองค์เจ้าตัทรธอรูแนผู้หากก็ลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วทำระลึกคิดถึงนั่นอ่ะก็ปลากรดเหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างเทศนาปลากฏอยู่ในชนะำเสียงแววแววปลากรดอยู่ในหมันเกิดตื้มปีติดเกิดอิ่มอกกินใจอามโมดขึ้นมา ในภาษาทศทาเลื่อมใสเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เราไม่ได้ไปผู้ที่มาได้ไปพอเราลึกถึงวันนั้นแหละเราลึกถึงอย่างนั้นเน่ยอย่างวันนี้แต่ท้ายกับวันที่พระเดจ้าตัดเทศนาธรรมเทศนาสรรมจักโพธิรสุขกันแรกแล้วเราเกิดความพอใจปึ้มปีติขึ้นมันก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันเราไม่ต้องไปเสียเงินที่ทองมาก คราวนี้จะเทศนาทรงมาจากให้ฟังเอาจนยออธรรมาเทศนาที่พระองค์จะเทศนานั้นใตความก็ไม่มีอะไรหรอการิยศัจสี่นี่แหละคือทุกสมุทยัยทุกหนสมุทยัยมีโลดหนึ่งมัดหนึ่งมีสี่อย่างนี้นะพระองค์จะเทศนาทั้งหมด แต่ว่าพระองค์เทศนานั้นเทศนาตัดเทศเทศนาโดยปริอโดยโด ย, โดยอาการสามเรียกว่าปริวัติไออาการสี่เรียกปริวัติสามคืออาการสี่นั้นในเกตทุกหนึ่งสมุทยัยทางนิโรธหนึ่งมากนอันนี้สี่ แต่ละอันนันอันนั้นแต่ละอย่างละอย่างนั้นมีปริวัติสามคือหมายความถึงว่าทุกเป็นหนึ่งแล้วนะีเป็นของควรกำหนดนี่เป็นสองเราได้กำหนดแล้วนี่เป็นสามมีอการสามอย่างนี้ คว่าทุกข์บางของกาหนดนนอย่างไรทุกคนมีอยู่ในตัวตนทุกคนแล้วจึงว่าควรกำหนดถ้าไม่กำหนดก็อย่างพวกเราทั้งหลายแนี้แหละทุกข์สักเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นทุกข์ในตัวเห็นทุกข์ในคนอื่นถึงหาทุกข์ในตัวเราจนเจ็บหนักพักใหญ่จน ก็ทั่งนอนเสือกอยู่ก็เสือกกรหมอนคนนั้นนี่ยก็จะเห็นทุกแต่ผูหาจักนั้นไปได้ก่อเลย ล, เลยะเลินะจ๊ะไม่เห็นเห็นทุกแต่พระองค์เจ้าพิจารณาจึงว่าควรท่านว่างั้นคำว่าควรนี่ไม่ใช่บังคับมันเป็นการลำพึงเป็นคำลำพึงคําว่าควรนะ ควรกำหนดโดยแท้คือว่าให้จะบังคับให้กาหนดนันก็ไม่ได้จะใช้บังคับก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าควรคือเห็นด้วยตนริงที่ว่าเรียกเรียกว่าควรนำควรควรกาหนดทุกเรื่อนของควรําหนดทุกคืออะไรตั้งแต่เกิดมา ทุกคนเกิดอยู่ในท้องของฮันมันดาก็ทุกอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จักว่าทุกก็ลองคิดดูเลยคนนอนอยู่ในท้องของเด็กนอนอยู่ในท้องมันดามันนอนด้วยท่าเดียวสีเดือนมาเดดือนแปดเดือดนแี่คพิ่ออกเพียขอดออกมามันจะทุกจะไม่ทุกง่างถ้าหากพวกเราลองดูไปนอนเบียดนี้ลองดู มันจะนอนได้นั้นจังนอนเป็นทุกข์ข้าวต้วนไม้ก็ทุกข์ไงเติบโตมาก็กกนนกเป็นทุกข์จนทุกข์อันนี่ก็เป็นทุกข์เรานั่งอยู่ก็กนนกเป็นทุกข์นอนก็นเป็นทุกข์ยืนก็นเป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์จึงว่าเป็นของขวรกําหนดโดยแท้แต่เราไม่คิดไม่คำนึงถึงจึงค่อยประมาทมัวมา ทุกข์ของกำหนดอย่างนี้แต่ว่าเราละเลงเสียเกินประมาณพระพุทธเจ้า่าพระองค์ได้ทํามาแล้วเรียก ว, ว่าทุกพระองค์ไวรกําหนดมันเป็นอันหนึ่งพระองค์ได้กําหนดแล้วผ่านนี้กําหนดแล้วเรียบร้อยแล้วคือว่ากําหนดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นทุกอย่างนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งทุกเมื่อ เห็นแจ้งเห็นจริงโดยตนเองถึงแม้จะมีทุกข์เกิดขึ้นมาพระองค์เจ้ก้ออยู่โดยความพิจารณาอยู่โดยปัญญาปัญญาของพวกใครๆก็ทุกทุกคนไม่มีใครจะเลือกหรอทุกข์อันนี้ของโลกมันเป็นอย่อย่างนั้นโลกยังมาเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะเกิดขึ้นมาแล้วกันดับไปทุกข์นั้นดับไปแล้วทุกข์อื่นอื่นเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ทุกข์นั้นก็ดับไป มันดับไปด้วยอาการอย่างไรคือนั่งมันทุกข์แล้วคราวนี้นก็เปลี่ยนนิยาบทค่อยเบาบางไปนิดหน่อยอันทุกข์นั่งอันหายดับไปพอยืนทุกข์นั่งกลับขึ้นมาอีกเจนเจไม่ใช่ทุกข์นั่งทุกข์เดินโดยทุกข์ยืนพอยืนแล้วมันเหนื่อยก็เดินไปอีกก้าอวอไปอีกทุกข์ยืนนั่น หายไปแล้วทุกเดินแกลับมาอีกอย่างเนี้เวียนไปเรียนมาทาั้งยี่สิบว่าทั้งสีงน่นะอยู่ตลอดเวลานี่คือองค์เจ้าได้พระองค์ได้กําหนดแล้วทุกเรื่องของกาหนดเราได้กําหนดแล้วนี่ยังเรียกว่าอ า, าการสั่งสมมติไทยละทานนี่ สมุทัยนะั่นคือเหตุได้เกิดทุกอะไรก็ตามเถอะมันมีเหตุมันจะเคยเก็นทุกมันก็มีเหตุมตันก็มีเหตุมีผล ท, ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นในโลกนี้มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งนั้นต้องจะตามสืบสวนหาเหตุของทุกคือตัวสมุทยัยอย่างเราต้องการ อยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นแล้วค่อยค้นขวัญหาค้นขวัญหาเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ได้บ้างไม่ได้บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเศร้าสูกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายมันนั่นเรียกว่ามันป็ะสบเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยาก พระองค์เรียกว่าอย่าหยังตัณหาโพไตเรียกว่าตัณหาสามกามาตัณหาเพราะว่าตัณหาอุปวัตตัณหาไม่นอกเหนือจากสามประการนี้คนเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอยู่อยู่ในกามเกิดด้วยกามจิตกามนอนอยู่ในกามนั่งอยู่ในกาม คือูปเสียงจิตรสโภธภะธรรมอารมณ์ไม่หนีจากนี้ทางนั้นผู้ใดเกิดมาต้องวุ่นอยู่กับของพวกนี้แหละเดือดร้อนอยู่กับของมุกนี้แหละเรียกว่าตัณหาคือมันคล้องมันติดไม่ไปไม่หลุดไปไม่พ้นเรียกว่าตัณหาสามกามาตัณหา ภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากดีอยากมีอยากอะไ ร, ต, ร, ร, ระะต่งางๆความอยากเรียกว่าภาวตัณหาที่ภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นก็เดือดร้อนเป็นทุกขอีกเหมือนกันไม่ใช่อยากเป็นนี่ค่อยเดือดร้อนความไม่อยากเป็นไม่อยากมีนั้นก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันไม่ปนจักนี้ท้าใว่าสมุทยัย เป็นของควรละในสมุทยัยทุกเรื่องของควรละเราได้ละแล้วสมุทยัยเป็นของควรละควรทิ้งเราได้ทิ้งแล้วสมุทัยเปของละได้ทุกละไม่ได้ ถึงพระองค์เจ้าจะพิจารณาเห็นทุกข์ก็ละไม่ได้เหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละมันทั้งนี้อยู่อย่างนั้นติดตัวอยู่นั้นถ้าหากว่ามีรูป ก, กายในตบับไหนมันก็ต้องมีจิดอยู่ตัตบนะพระองค์เจ้าไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุที่เห็นเป็นทุกข์ที่ว่าพระองค์ได้ไ ด, ไ, ดได้กําหนดแล้วท่านบอกว่าได้กําหนดแล้ว สมุทรไทเป็นของคนละเราได้ล่าแล้วสมุทรไทยเป็นของคนละหนึ่งเราได้ล่าแล้วหนึ่งสมุทรไทยหนึ่งเป็นของคนละเราได้ล่าแล้ ว, เ ป, ล เ, ลลวเป็นสามเหมือนกันอย่างคว่ำอยากลองดูลองดดูก็แล้วกันเราอยากได้โน่นอยากนี่สลบได้เราไม่เอาละทิ้งเลยปล่อยวางเลย ละได้จริงๆอันนั้นแหละสมุทัยของคนละดินละแล้วนี่โลดเป็นของคนทำให้แจ้งทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วคาว่านีโลดนั้นคือความดับทุกข์เมื่อเราเห็นตัวสมุทัย เราล่าสมุทยัยมันก็เป็นนั้นว่านิโรธเราควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วเป็นความควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้ว เ, เวมื่อล่าสมุทังก็เป็นนิโรธทั้งนี้มรตเป็นของควรเจริญเราได้เจริญแล้วมรตนั้นคือธรรมมาทิฏฐิเป็นเบื้องเป็นตัวแรก ถ้ามาทิชชี่ตัวเดียวเท่านั้นเน่ะเป็นมัดแปดเลยถ้าความเห็นชอบแล้วนะความเห็นชอบแล้วก็เป็นว่าถูกทั้งแปดอย่างท่านเรียน ว, ว่ามัดทั้งแปดมันรวมอันเดียวกันรวมลงเป็นหนึ่ง ถ้าท่าจิตรวมลงไปเป็นหนึ่งแล้วมัดแปดดวงเดียวนั่นน่ะที่จะทําจิตได้เป็นหนึ่งข้อสมาธิรวมเห็นชอบสมาธิสมาสังฆโพสมาว า, าจารสมากรมรมตัวรวมมันมดสมาด้วยกันเท่งนั้นอะไรๆมดัดรวมมาที่เดียวท่านเรียกว่า ปริวัติสามการไอท่านเรียกว่าอาการทิบทิศสองปริวัติสามการทิบสองคือมีสี่และแต่ละอันนั้นมีปริวัติสามจึงรวมเป็นทิศสองปริวัติสามอาการทิศสองนี้รวมเป็นทำในำในขณะเดียว ทำในจิตในขณนะเดียวเท่นานว่าครับไม่จ้องไปทํามันทุกแล้วสมุทัยนี้รอดมากไม่ต้องไปทำอีกนั้นรว่ามันเห็นในขณะเดียวเลยยากอยู่คนคที่เราไม่ได้พิจนารณาพูดอย่างนีงย้ายากยากที่จะเข้าใจแต่พูดกัน ง, ง่ายว่าอย่างว่าเราเห็นทุกเมื่อเห็นทุกแล้ว ันความเห็นทุกนั่นนะ่ะเป็นสมาธิที่แล้วนะ่ะเห็นทุกนั่นนะ่ะเรียกว่าล่าจงกรไทยแล้วมันเป็นนิโรธน้าจงกระไทนี่เป็นนิโรธความที่เห็นเห็นชอบตัวเดียวนั่นนะเลยเป็นตันเดียวกันหมดึ่วาจิตในขณะเดียวกันนี่คที่ท่านเทศนา ทั้งเรื่องอาิยศัพท์จะททั้งสีในปัญเจ้าคีนั้นมีเนื้อความสรุปลมลงเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาได้ฟังทรมาจากพระวจนะสูตรโดยย่อๆให้นเอาเข้ามาในตัวของเรามาพิจารณาในตัวของเรานี้อย่าได้ส่งออกไปหาคนอื่นสิ่ง อ, อื่น ภายนอกจากตัวของเราทุกก็อยู่ในตัวของเรานี่ทั้งหมดยนใย้กันในตัวของเรานีในโลกเป็ในตัวของเราในมัดเป็ในตัวของเรานี้อยู่ในนี้ละมดเรื่องพระพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาในทีน่นี้ไม่ได้สอนออกไปนอกสอนกพ้วงขวงออกไปนอกนั้นไม่ใช่ศาสนามันเป็นโลกคันสอนถามสอนพพุทธศาสนาต้องสอนเข้ามาในที่นี้ทั้งหมด มเมื่อเราเห็นทุกข์ตรงประเทศไทยโนี้หมดชัดเจนแจ่มแจงแล้วเราเป็นพูดถึงซึ่งธรรมะคำสองวุติเจ้าแล้วพระอัญญาควรนัยญาตขั้นเจงองทรงแสดงว่ารู้แล้วอัญญาควรนยัยญารู้แล้วเห็นแล้วเห็ุทําแล้วเห็นคืออะไร ถ้าจะขุงคือว่าตาคือดวงตาดวงตาเห็นธรรมคือมันก็ไม่เห็นภ า, ภายนอกภายในภายนอกนั้นเห็นด้วยตาอย่างที่เล่าไว้ฟังนี่แหละตัวขงเราเป็นก้อนทุกเรียกว่าเห็นด้วยตาถ้าเห็นด้วยตาแล้วก็ทางภายในใจก็เห็นชั ด, ด้วยใจนันเรียวเห็นภายนอกภายใน ปัญญาคนทัญญ้งย่าทำไม่ใช่ขุมวุฒิปานี้เกิดขึ้นแล้วความรู้นั้นเห็นชัดขึ้นมาเลยตนเองน่ะแล้ว ป, ปัญญาทัพปาที่ขานี้ปัญญารูรอบลูทั่วมอดทุกสิ่งทุกอย่างวิชาทั่ปาที่รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกประการอันเดียวกันนั่นเนี่ยทำไม่ใุ่มก่อนเดียวกนนัน่ปัญญากันเดียวกันวิชากันเดียวัน อาโลโกไม่มีเครื่องปกปิดในโลกอันนี้จะปกปิดอะไรอีกตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นตัวคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นใครๆทั้งหมดเป็นอย่างนั้นมันจะปกปิดที่ไหนมันก็เห็นห่ดเดียสิจังว่าโอโลโกท่ป่าทีแปลว่าไม่มีโลกเครื่อมันเป็นธรรมทั้งหมดเห็นแจ้งไปจักด้วยกันทั้งหมด เราพาผ่านฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมมีอะไรบ้างก็เห็นเห็นกับท่านพอลังเาล า, ลาบ้างไหมชัดเจนในใจของเราบ้างไหมให้ซองอภายในกานเมื่อว่าเห็นในใจของตนรู้แจ้งเห็น ใ, นในใจของตนอย่างอธิบายมา น, นี้ได้จงพากันรักษาความสงบ พอบลมสมาธิอันนั้นไว้ให้แม่ให้แน่นหนาน่าจงใช้ปัญญาเนั่นละ่ะไม่ใช่ใช้ปัญญาณอื่นหรอกปัญญาที่เกิดนั่นแหละเกิดจากนั้นน่ะอย่าไปเห็นอื่นเลยเห็นเทวดาเทตานินผมเห็นสวรรค์ น, นิพพานอย่าไปเห็นมาเลยของนั้นเห็นไว้ใส่ของตัวของเราลองเห็นในของตัวของเรานี่อย่าที่อธิบายให้ฟังนี่ชัดเจนใด้รักษานันไว เนี่ยที่แสดงมาก็สมควรเดือดาอลเวลาเดือดาล